สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสิ่งที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงจากหนังสือของท่านอาจารย์วสินินทัศระนะคะเรื่องโอวาทปาติโมเป็นหนังสือที่มีขนาด16หน้ายกจำนวน392หน้าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โอเดนโซพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ2545 อาจารย์เขียนคำนำไว้ดังนี้นะคะหนังสือเรื่องนี้กล่าวถึงข้อความโดยละเอียดเกี่ยวกับโอวาสปาติโมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พระอาหารหันต์ 1,250 องค์ณเวฬุวัาราเมืองราชครืในวันเพนเดือนสามซึ่งเราถือเป็นวันมาฆบูชาณบัดนี้จัดเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสน ก, กชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่นับถือพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าได้กล่าวทำเรื่องโอวาทปฏิโมกนี้เมื่อวันมาคบูชาปีพศ2544สัปดาห์ละครั้งรวม56สัปดาห์หรือ13เดือนจึงจบ คือจบเมื่อเลยวันมาค้าบูชาปีพศ2545ไปแล้วหนึ่งเดือนข้าพเจ้าได้กล่าวทมนี้โดยผ่านทางรายการธรรมาร่วมสมัยของสำนักข่าวไทยอสมท FM 100.5 เมกะเฮิร์เวลาเที่ยงคืน10นาทีถึงตีหนึ่งนาทีครั้งละหนึ่งชั่วโมงมีผู้ร่วมสนทนาสองท่าน คืออาจารย์พันเอกพิเศษทองขาวพ่วงรอดพันและอาจารย์กมนสีนอกแต่หนังสือนี้ไม่ได้อยู่ในรูปของบทสนทนานำเสนอในรูปของการถอดความหวังว่าหนังสือเล่ม น, นี้จะเป็นคู่มือที่ดีของท่านผู้สแสวงหาความรู้ในโอวาทปาติโมอันเป็นหลักธรรมสาคัญชุดหนึ่งของพระพุทธศาสนา นักปราชญ์หลายท่านจัดตักรมชุดนี้เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ร่วมสนทนาและขอขอบใจลูกศิษย์ผู้มีฉันทาอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการถอดเทปและลูกศิษย์ผู้ช่วยดูพรูปให้ด้วยใจรักในงานนี้จริงๆทั้งสองล้วนมีงานในหน้าที่ของตนเต็มมืออยู่แล้ว ยังเจียดเวลามาช่วยงานของข้าพเจ้าอีกโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนแม้แต่ชื่อก็ไม่ยอมให้เอ่ยเป็นผู้ทำความดีเพื่อความดีโดยแท้ขออนุโมทนาบุญกุศลใดพึงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเพราะหนังสือนี้เป็นปัจจัยขอเธอทั้งสองพึงมีส่วนแห่งบุญนั้น มีชีวิตที่เกษมผาสุขตลอดการทุกเมื่อข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านทุกท่านโดยผ่านทางหนังสือเล่มนี้ขอพระสัต์ธรรมจงตั้งอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั่วพื้นเมธนีวสิณินทศระ1กรกฎาคม2545 หนังสือนี้มีอยู่7ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งคือเรื่องนิพพานส่วนที่สองการไม่ทำบาปทั้งปวงส่วนที่สการทำกุศลให้ถึงพร้อมส่วนที่สการทำจิตให้ผ่องแผ้วส่วนที่หการเผยแผ่ศาสนาส่วนที่หปรารบเรื่องต่างๆในพุทธศาสนาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เจ็ด ตอบคำถามผู้ฟังรายการธรรมะร่วมสมัย